การขาดแคลนน้าใจต่อเพื่อนร่วมโลกก็คือการสร้างภพที่ขาดแคลนความชุ่มเย็นต่อตอนเองแม้จิตวิญญาณในปัจจุบันก็แห้งแลง้งเหมือนดอกไม้ขาดน้ําแต่ดอกไม้ขาดน้ํายังไม่ใช่เครื่องหมายของความทุกข์ที่ชัดเจนผลของจิตวิญญาณที่แห้งแลง้งคือกายใหม่ที่ขาดน้ํากระหายหิวและไม่มีปัญญาหาน้ําดื่มต่างหากที่น่าขยาดเกินทน พุทธพน์เปรตภูมิเปรียบเหมือนต้นไม้บนพื้นเป็นคลื่นลอนมีใบอ่อนและใบแก่เพียงน้อยมีเงาป้องแดดไม่มากไม่อาจทําความร่มเย็นให้กับผู้กําลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายสักเท่าใดถ้าเดินอยู่บนทางที่จะนําตรงมาสู่ต้นไม้นี้ได้ในที่สุดเขาก็จะพักนั่งนอนอย่างไม่เป็นสุขกับทั้งยังหิวกระหายไม่เลิกจาก มหาสีหนาสูตร 1. เปรตตนหนึ่งชื่อว่าอธิสังคลิกมีแต่ร่างกระดูกลอยอยู่ในอากาศฝูงแรง้งเหยี่ยวและนกตะกรุมพากันโฉกอยู่ขวักไขจิกสับโดยแรงจิกถึงยื้อแย่งตามช่องซี่โครงสะบัดเปรตนั้นไปมาเปรตนั้นได้แต่ร้องครวนครางอยู่ เขาเคยเป็นคนข่าโคในพระนครราชครึ่นั่นเองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไม่อยู่ในนรกช้านานกว่าจะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากกรรมที่เหลืออยู่ 2. เปรตตนหนึ่งชื่อสูจกกะลมมีร่างเป็นชายมีขนเป็นเข็มลอยอยู่เหนือพื้นเข็มเหล่านั้นของมันทิมเข้าไปในศรีรษะแล้วออกทางปากทิมเข้าไปในปาก แล้วออกทางอกทิมเข้าไปในอกแล้วออกทางท้องทิมเข้าไปในท้องแล้วออกทางขาทั้งสองทิมเข้าไปในขาทั้งสองแล้วออกทางแข้งทั้งสองทิมเข้าไปในแข้งทั้งสองแล้วออกทางเท้าทั้งสองเบรดนั้นร้องครูนครางอยู่เขาเคยเป็นช่างสอเสียดอยู่ในพระนครราชครุษนี้เอง 3. เบรตนหนึ่งชื่อว่ากุมพันทะมีร่างเป็นชาย มีอันธาโตเท่าหม้อมีลูกอันธ h ใหญ่ขนาดที่เดินไปก็ต้องยกอันธ h ขึ้นพาดบ่าไปพอจะนั่งก็นั่งบนอันธานั้นแหละเขาเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านอยู่ในพระนครราชครุนี้เอง 4. เปรตตนหนึ่งชื่อว่าคูถานิมุขะมีร่างเป็นชายจมอยู่ในหลุมขี้ท่วมหัวเอามือทั้งสองกอดขี้กิน เขาเคยเป็นพรามผู้ชั่วช้าอยู่ในศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพรามนั้นนิมนต์พระภิกษุด้วยพัตตาหาแล้วเทขี่ลงในรางจนเต็มแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนำไปให้พอแก่ความต้องการเถิดด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเขาหมกไม่ในนรกช้านานกว่าจะขึ้นมาได้อัตภาพนี้ด้วยเศษแห่งวิบากแห่งกรรมที่เหลืออยู่ 5เปรตตนหนึ่งชื่อว่ามังคุลิถีมีร่างเป็นหญิงมีรูปร่างน่าเกลียดนางเคยเป็นแม่มดอยู่ในพระนครราชครุนี้เอง6เปรตตนหนึ่งชื่อว่าโอกิลินีมีร่างเป็นหญิงมีร่างกายถูกไฟลวกมีหยาดเหงื่อไหลห ย, ยดมีฐานเพลิงโปรยจากร่าง นางเคยเป็นอัคระมะเหสีของพระเจ้ากาลิงคะเป็นคนขี้หึงได้เอากระทะเต็มด้วยฐานเพลิงคลอกสตรีร่วมพระราชสามี 7. ดเปรตตนหนึ่งชื่อว่าอาศิสกพันทะมีศีรษะขาดลอยอยู่ในอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกเขาเคยเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรชื่อธรรมริกะอยู่ในพระนครราชครนี้เอง เปรตตนหนึ่งชื่อว่าภิกษุลอยอยู่ในอากาศสังาติบาดประคตเอวและร่างกายถูกไฟติดลูกโชนเปรตนั้นร้องครวนครางภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้ลามกในศาสนาของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจากจตุถประปราชิกสิกขาบทว่าด้วยการอวดอุตริมนุ ษ, ษธรรม คำให้การของเปรตเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วแต่สารวมกายตามพระวินัยด้วยการสํารวมดีในพรหมจันทร์นั้นในอัตภาพนี้จึงได้แล้วซึ่งผิวพันธ์ด่างทองแต่เพราะกล่าววาจาส่อเสียดไว้มากในอัตภาพนี้จึงมีปากที่เหม็นเน่ามนุษย์ทั้งหลายหากฉลาดก็จงอย่าพูดส่อเสียด อย่าพูดมุสากันเลยแล้วจักเป็นที่พระเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งหน้าใครจากบุติมุขะเปตวัตถุข้าเป็นเปรตมีช่องปากเท่ารูเข็มลำบากยิ่งนักเปลือยกายสู้ผอมมีความประหวั่นพรั่นพรึงสะดุ้งหวาดเสียวเหลือเกินอีกทั้งมีการงานอันทารุนด้วยจากสานุวาสีเทระเปตตาวัตถุ สมัยยังเป็นมนุษย์หญิงร่วมสามีของดิฉันคนหนึ่งมีคันดิฉันคิดชั่วประทุษร้ายต่อเขาโดยทำให้คันที่ตั้งมาสองเดือนตกไปไหลออกมาเป็นเลือดครั้งนั้นเหล่าญาติของหญิงร่วมสามีกโกรธพากันมาซักไซไล่เรียงเอาเรื่องและท้าให้ดิฉันสาบานหากแน่ใจว่าไม่ได้ทาดิฉันสาบานด้วยอาการมุสาอย่างแรงว่าถ้าทาชั่วเช่นนั้นจริง ก็ขอให้ดิฉันต้องไปกินเนื้อบุรเถิดมาบัดนี้ดิฉันจึงมีกายอันเปื้อนด้วยหนองและโลหิตเวลาเช้าคลอดบุดห้ตนเวลาย็นอีกหตนแล้วกินบุรเหล่านั้นหมดแต่แม้บุรถึงส0บตนก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันหัวใจของดิฉันเร้าร้อนอยู่เป็นนิดด้วยความหิวนั่นเพราะวิบากแห่งกรรมคือการทาให้คันตกและการโกหกเอาตัวรอด จากปัญจปุทตค่ะที่กะเปต่วัตถุแม้ดิฉันมีรูปงามแต่ก็เป็นอยู่ด้วยความอับอายเพราะไม่อาจนุ่งห่มอาภรณ์จึงไม่กล้าออกจากวิมานด้วยร่างที่เปลือยเปล่านี้โปรดอย่าให้อาภร์กับมือเลยเพราะดิฉันจะรับไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จแต่จงให้อาภรณ์นั้นเป็นทานแก่อุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา ขอร้องให้นางครอบครองและนุ่งห่มผ้าผืนนี้แล้วท่านจงตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ดิฉันเถิดจากคลาตยะเปตะวัตถุดูกรเทวีผู้มีรูปร่างหน้าดูน่าชมเราปรารถนาเพื่อจะอยู่บันเทิงกับท่านในสวนนันทวันของท่านนี้เราจะต้องทำกรรมอันใดจึงเป็นเหตุให้ได้มาอยู่ร่วมกับท่าน จากรัฐการีเปตตวัตุคำของมนุษย์ผู้เข้าใจว่านางเปรตเป็นเทพธิดามุมมองอันควรได้จากพุทพจน์และคำให้การของเปรตเมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบเปรต ภ, ภูมิว่าเทียบได้กับร่มไม้ใบบางบนทางกันดาลพื้นที่แถวนั้นก็ไม่ราบเรียบ มีความคลุกครับนั่งนอนไม่สบายก็แปลว่าเส้นทางสู่ความเป็นเปรตคือจุดกลางทางหนึ่งที่ไม่ช่วยัวเราความทุกข์ร้อนจากการเดินทางเลยเคยร้อนมาอย่างไรเคยหิวมาแค่ไหนก็ออยังร้อนและหิวเกือบเท่าเดินมนั่นเองและถ้าฝนตกแดดออกเมื่อไหร่ทุกก็เข้าถึงตัวได้เต็มที่เมื่อ น, นั้นเปรตภูมิจึงให้ความสุขให้ความทุกข์แบบลุ่มุ่มดอนๆอนอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับนร ก, กภูมิและเดรรชานภูมิแล้วก็นับว่าเปรตภูมิดีขึ้นมากกว่ากันมากเมื่อถึงขนาดเป็นกับดักยังพอมีที่นั่งที่นอนโดยไม่เพิ่มความทุกข์ทรมานให้หนักขึ้นกว่าเกา่าดั่งเช่นที่เปรตบางตนรูปงามชวนหลงเสียจนมนุษย์หนุ่มผู้ไม่รู้สำคัญผิดคิดว่าเป็นเ ท, ทิดาและลงทุนทาบุญทากุศลเพื่อให้ได้ไปอยู่ด้วยหลังตายเลยทีเดียว เปรตที่มีวิมานอยู่เรียกว่าเวมานิกรปรตที่ยังไม่ถึงขั้นเทพก็เพราะมีข้อบกพร่องบางอย่างเช่นบาปแต่หนหลังทำให้ไรออาพรหรือไม่ก็หิวโหวยเป็นนิดจึงกล่าวว่าแม่เปรตชั้นสูงถ้าเอามาเทียบกับมนุษย์ชั้นสูงก็สู้ไม่ได้และเปรตชั้นสูงก็มักจะเพิ่งมาจากมนุษย์สดๆร้อนๆนั่นเองส่วนเปรตชั้นต่านั้น ความทุกข์เทียบแล้วก็น้องนองนรกและความเป็นจริงก็คือพวกนี้เพิ่งพ้นโทษจากนรกหรือไม่ก็มาจากสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะเศษของบาปยังไม่หมดและต่อให้มนุษย์ชั้นต่ำที่เกิดอย่างแรนแขนก็ยังได้ดื่มน้ำอิ่มหนำบ้างต่างจากเปรตชั้นต่ำที่อดตลอดหิวอย่างไรก็ไม่ได้กินเว้นแต่ญาติจะทาบุญอุทิศมาให้ กรรมอันควรแก่ความลุ่มๆุมดอนดอนเปรตชั้นสูงมักเป็นพวกที่ทำฐานไว้มากแต่ศีลบางข้อบกพร่องอย่างแรงเปรียบเหมือนคนแต่งตัวผัดหน้าทาแป้งจนดูดีแต่กลับมีความเน่าในไม่ชอบอาบน้ำไม่ชอบทำความสะอาดเนื้อตัวและหนักกว่านั้นคืออาจนิยมการเกลือกลัวกับสิ่งแปดเปื้อนทั้งหลายส่วนเปรตชั้นต่า เป็นพวกที่ทำทานไว้พอประมาณหรือไม่ทำเลยแล้วก็บกคร่องในศีลบางข้อชนิดเข้าขั้นสมควรแก่นรกเมื่อไปสู่ความเป็นเพื่อนกับเหล่าสัตว์นรกหรือเหล่าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ผุดเกิดขึ้นมาในสภาพของเปรตเป็นอันดับต่อไปกังประเภทครึ่งกลางๆลุ่มๆุ่มดอนดอนแบบคนตีสองหน้าหรือดีอย่างเสียอย่างอาจยกตัวอย่างโดยศีลได้เช่น 1. ช่วยรณรงค์อนุรักษ์สัตว์อย่างได้ผลในวงกว้างแต่ว่างๆก็แอบเข้าป่าล่าสัตว์เสเอง 2. องเป็นครูสอนลูกศิษย์ได้อย่างจับใจให้เป็นคนซื่อแต่เปรเพลก็ยักยอกทรัพย์โรงเรียนเสเอง 3. ให้สติแก่คนคิดคบชูสู่ชายสู่หญิงแต่ถึงตาตนก็ไม่พ้นเอาเสิเอง 4. เป็นแบบอย่างในการพูดคำจริงมาค่อนชีวิตแต่บั้นปลายกลายเป็นคนลวงโลกซะเอง 5. าห้ามเ ด, เด็กแต่ต้องเล่าแต่ตัวกลับกินวายไม่หยุดซะเองคงกล่าวโดยพิสดารให้ครบไม่ได้แต่โดยสรุปก็คือเป็นพวกเครื่องดีเครื่องร้ายแต่ความร้ายมีกำลังแรงกว่าแล้วถามว่าคนที่เครื่องดีเครื่องร้ายในโลกนี้มีมากเพียงใดก็ต้องบอกว่า เกือบทั้งโลกนั่นแหละนิมิตบอกลางร้ายหากต้องตายอย่างคนที่จะไปเป็นเปรตชั้นสูงก่อนจิตดับมักจะเห็นคุณญ์งามความดีที่สั่งสมมาเป็นหลักตั้งแต่ก็เคลือบไว้ด้วยความรู้สึกผิดความรู้สึกหม่นมืดในส่วนลึกเช่นวิ่งแก้ผ้าอยู่ในสวนสวยที่คนอื่นมีเครื่องนุ่งห่มงดงามและมิจิต หากต้องตายอย่างคนที่จะไปเป็นเปรตชั้นต่ำทันทีก่อนจิต ด, ดับมักเห็นความชั่วร้ายเหลวสามที่สั่งสมมาเป็นหลักตั้งแต่ก็พยุงไว้ด้วยความรู้สึกอยากถอนตัวอยากกลับตัวจึงไม่ทะลุร่วงลงนรกยับยั้งไว้แค่สถานะเปรตชั้นต่ำไปก่อนส่วนสัตว์เดรัจฉานที่ต้องตายกลายเป็นเปรตจะเห็นสภาพคล้ายเดิมๆของตนเองแต่วังเวงหนาวสันหลังกว่า อกสั่งงนเงิงกมากกว่าที่เคยเคยมาและอาจมีรูปน่าดูกว่าหรือวิกลวิการกว่าเก่าอีกประการหนึ่งยังมีคนทั่วไปที่ไม่ดีไม่เลวแต่กรรมเก่าเบียดเบียนให้ตายร้ายเช่นในอุบัติเหตุรถชนที่กระตุ้นให้ตกใจสุดขีดแล้วไม่มีกำลังบุญมาจุดประกายความสว่างให้จิตเลยจิตก็ถูกความตรนกตกใจครอบงาเต็มเ็ม จึงถูกตรึงไว้ในสภาพเปรตชั้นต่ำที่จําภาพสุดท้ายก่อนตายได้แม่นต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นเองกล่าวได้ว่าความตรนกตกใจในภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเองคือนิมิตรบอกหลังร้ายหลังตายไปอุบัติเหตุให้ตกตายกระทันหันเป็นเครื่องบอกว่าบาปเก่าแต่ผลหลังให้ผลบีบให้รอดจากอบายภูมิยากตรงนี้ จึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักว่าบุญใหม่สำคัญขนาดไหนคนที่สั่งสมบุญใหม่ไว้มากขนาดปรับจิตให้สว่างเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆ เ, เท่านั้นจึงเอาตัวรอดจากความตกใจขนาดเฉียเป็นเฉียตายคุณจะรู้สึกถึงความเป็นอัตโนมัติของจิตที่ยกขึ้นตั้งอย่างมั่นคงเบ่าใจไม่ตื่นเต้นกับกา ร, รเผชิญหน้ามัจยุราชที่พุ่งเข้าถึงตัวโดยปราศจากสัญญาณเตือนใดๆเพราะส่วนลึก เชื่อมั่นว่ามีความดีเป็นที่พึ่งปุ่นใจพอแล้วพวกที่ตายขณะยังขาดใจก็ความรู้สึกผิดคล้ายแผลสดกลางอกไม่ตกสะเก็ดเสถทีหากไม่รีบทำคุณไถ่โทษให้ใจชุ่มชื้นซะก่อนถึงวาระสุดท้ายอาจรู้สึกหนาวเย็นเห็นนิมิตคล้ายคนหลงป่าดิบที่มืดลึกและน่าสะพรึงกลัวเขาเกิดใหม่ จะเหมือนพลัดเข้าไปอยู่ในเมืองคนบาปที่ทุกคนน่าเศร้าและกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อนหนีไปจากพันธนาการคือความรู้สึกผิดเฉพาะตนพวกที่ฆ่าตัวตายด้วยความฟุ้งซ่านจัดน้อยใจแรงอยากโวยวายให้คนอื่นเห็นใจหรือให้เขารู้สึกผิดที่ไม่เอาใจใส่ตนในมิตรช่วงสุดท้ายมักมกวนแบบคนเถียงกับตัวเองไม่เลิก เพราะเป็นเปรตก็เดินโวยวายพยายามกล่าเข้าไปพูดให้ญาติมิตรหรือคนรักสำนึกผิดแต่ถ้าฆ่าตัวตายด้วยอาการหดหูสิ้นหวังหมดอาลัยตายยากนิมิตรช่วงสุดท้ายก็คล้ายคนนั่งซึมแบบปล่อยให้ตัวเองจมทะเลน้ำตาความเศร้าเหงาจะปรากฏคล้ายม่านดำๆหนักๆที่คลุมตัวกดหัวให้เงยหน้าไม่ได้ตลอดเวลา ราวโดยย่นย่อคืออาการถ่างใจเป็นอย่างไรในมิตอันเป็นลางร้ายก็จะปรากฏสอดคล้องตามนั้นถ้าก่อนตายมีความผูกพันกับผู้คนก็เป็นเปรดเมืองแต่ถ้าตายไปนในโลกส่วนตัวก็จะเป็นเปรดป่าหรือเข้าสู่นครเปรดอันเป็นถิ่นเฉพาะที่เหมาะกับพวกติด บ, บ่วงกรรมประเภทเดียวกับตนสภาพแวดล้อมของเปรต ภาวะของเปรตมีทุกข์มากแต่ก็เว้นวรรคบ้างแม่ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ไม่ใช่จะต้องถูกทรมานอยู่ตลอดเวลาเหมือนในนรกความเป็นเปรตนั้นพิสดารกว่าเดรัจฉานมากแค่เดรัจฉานมีสิบกว่าล้านสายพันธุ์เราก็นึกไม่ออกแล้วว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรได้บ้างแต่เปรตมีได้ยิ่งกว่านั้นเพราะอัตภาพถูกสร้างได้ไม่จํากัดตามกรรมเฉพาะตน ไม่จําเป็นต้องเข้าไปสู่กลุ่มสายพันธุ์ไหนๆเหมือนอย่างพวกเดรชานผลของกรรมเป็นไปตามความคิดไม่ว่าจะช่างอุตริที่เรนขนาดไหนดังเช่นเปรตที่ต้องกอบขี้กินเป็นกับเป็นกันนั้นก็เพราะอุตริเอาขี้ถวายพระนั่นเองและสภาพของเปรตก็คล้ายสัตว์นรกคือวิกลวิการได้ไม่จํากัดตัวเหมือนคนหัวเหมือนสัตว์ก็ได้หรือหัวเป็นคนแต่ตัวเป็นสัตว์ก็มี แก่นสารไม่ได้อยู่ที่ผิวนอกแต่อยู่ที่อาการเสวยทุกข์กล่าวคือความเป็นเปรตนั้นถ้าไม่หิวไสกิวก็ต้องโทษบางประการให้อับอายหรือไม่เช่นนั้นก็ขาดอะไรสักอย่างที่ก่อให้เกิดความห้อยหาอาลัยไม่เลิกดูอย่างโอกิลินีเปรต ถ, ถึงเคยเป็นชายาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผลของกรรมที่ปรากฏก็ไม่ได้แตกต่างจากหญิงชาวบ้านเลย เพราะขณะก่อ ก, กรรมไม่มีการแยกชั้นวัณณะว่ามีสังเป็นอะไรผลของกรรมย่อมปรากฏตามนั้นคือไม่เหลือร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตมาช่วยให้ดูดีกว่าเปรตอื่นได้เกียรติภูมิอันสง่างามดังเดิมเป็นอันหมดไปเหลือแต่ภาวะชวนสังเวชแบบเปรตตนหนึ่งเท่านั้นคุณคงเคยได้ยินว่าเปรตอยู่ใกล้ภูมนุษย์จำอดีตครั้งเป็นมนุษย์ของตนได้ และจำญาติของตนเองได้อีกทั้งอาจรับความช่วยเหลือจากญาติได้อันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงให้ดีๆคือ 1. ถ้าเปรตเป็นพวกมีกรรมหนักคือมีความหนักแน่นในภาวะนั้นเที่ยงที่จะต้องเสวยทุกข์ในสภาพนั้นก็มีมีใครช่วยได้ดังตัวอย่างเหล่าเปรต บ, บนเขาคิจกูด มีคูดในมุกกเพรดเป็นต้นแม้เสวยวิบากมาหนึ่งพุทธันดร<ๆ>ก็ยังไม่หลุดรอดไปไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์เดินผ่านอยู่ทุกวันก็ไม่อาจโปรดให้เลื่อนภูมิแต่อย่างใด 2. การจะรับส่วนบุญได้ต้องมีสติมีความจำในครั้งเป็นมนุษย์อยู่ระดับหนึ่งอย่างน้อยรู้ว่าตัวเองเป็นใครเคยมีบุญสัมพันธ์กับใครมาบ้าง พูดง่ายๆคือถ้าสามารถมาขอความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองก็มีสิทธิ์สมหวังดังเช่นเรื่องของนางเวมานิกเปรตผู้มีวิมานแต่ไร้อาภร น, นุ่งห่มก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อค้าผ้าเป็นตน้นตัวคุณเองหากทําบุญอุทิศส่งให้ญาติแล้วไม่แน่ใจว่าไปถึงหรือเปล่าก็คิดไว้อย่างนี้ว่าถ้าเผื่อญาติของคุณเป็นเปรตอยู่ก็น่าจะได้ดื่มกินหรือได้อาหารตกถึงท้องบ้าง าการจะเลื่อนชั้นภูมิหลุดจากความเป็นเปรตมักต้องรอเวลาที่กรรมเก่าหมดผลไปเองแต่ถ้ากรรมที่เหลือมีกําลังอ่อนและดวงดีได้ผู้ทรงฌานแผ่เมตตาให้กระทั่งจิตตั้งมั่นอยู่ในความสว่างภาวะเปรตก็ทนอยู่ไม่ไหวต้องแตกทำลายลงจิต ด, ดับจากความเป็นเปรตและอุบัติใหม่ในภพที่ดีกว่า คนธรรมดาที่ปราศจากญาณอย่างรู้จาฝันเห็นหรือแว่วเสียงเปรตมาขอส่วนบุญจะไม่มีทางพิสูจน์ว่าตนอุปาทานหรือพบกับเปรตเข้าจริงๆทางที่ดีคือถ้าประสบเหตุสัมผัสสิ่งลึกลับจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ไม่เสียหลายเพราะถ้าเป็นของจริงก็มีสิทธิ์ถึงมือเขาแต่ถ้าไม่จริงเราก็ได้ทาทานแกเปรต ด, ด้วยน้าใจเมตตาการุณา หากชาติใดาชาติหนึ่งต้องพลัดไปเป็นเปรตบ้างก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเช่นกัน